ร Wish หรือว่าเป็นของสัตว์ผู้เกิดในอบายกามที่เป็นของมนุษย์กามที่เป็นของทิพย์เนี่ยนะกามของเดรัชานถามว่ามันพอใจไหมวัตถุของเดรัชานนะเดรัชานก็พอใจเรียกว่าวัตถุของสัตว์ในอบายนะวัตถุ ก, ถ ก, กามของเวมานิกะเปรตเวมานิกะเปรตก็พอใจนีนะ่อาหารของสัตว์เดรัชานเราไปแย่งมันเลยสิใช่ไหมมันก็พอใจอะนะเรียกว่าวัตถุกามของหมู่สัตว์ในอบาย หรือว่าการของมนุษย์เนี่ยนะอย่างที่เราเห็นเหนกันเนี่ยได้ยินรับรู้เนี่เรียกว่าการของมนุษย์หรือการที่เป็นของทิพย์เนี่ยนะสิ่งที่น่าพอใจทั้งของอบายของมนุษย์หรือของทิพย์ถามว่าวัตถุการที่เป็นของอบายเนี่ยมนุษย์ต้องการไหมต้องการเช่นปรารถนาจะเกิดเป็นนาคเกิดเป็นครุฑนะนะวัตถุเหล่านั้นก็เป็นที่ตั้งของหมู่เดรชาสัตว์ในอบายแต่ก็มีสัตว์ที่ปรารถนาอยู่ หรือการที่ปรากฏเฉพาะหน้าการที่เนรมิตเองการที่ผู้อื่นเนรมิตให้ถ้าแบ่งนะตั้งแต่สวรรค์ชั้นตั้งแต่อบายไล่ไปจนถึงนิมจนถึงดุสิตพวกนี้เป็นใช้ของเท่าที่มีอยู่ถ้าแสแวงหาก็สแสวงหาตามที่มีอยู่เท่านั้นเองแต่ถ้านิมมาเนระดีเนี่ยสวรรค์ชั้นนั้นต้องเนรมิตเอาอยากได้อะไรก็เนรมิตเอาคิดเอาถ้าปรนิ ม, มิตตะ ว, ะสวัสวดีนี่ก็ คิดอะไรคนอื่นเขาจะมาเนรมิตให้หมดก็แบ่งออกเป็นสามนะคิดว่าอยู่เฉพาะหน้าที่ใช้สอยของที่มีอยู่กับเนรมิตขึ้นผลิตขึ้นหรือว่าคนอื่นเขาผลิตให้ใช้อย่างงี้นะก็แบ่งเป็นหลายระดับด้วยกันของเราชอบแบบไหนเท <c oughs> ่าที่เห็นเห็นก็เฉพาะของที่ปรากฏใช่ไหมหรือการบางทีก็มีการที่คนเขาหวงแหนที่ไม่หวงแหนที่ยึดถือว่าของเราที่ไม่ยึดถือว่าของเรา กรารที่หวงไอ้วัตถุกรรมที่ไม่หวงแหนเช่นอะไรเนี่ยนคือเจ้าของคนนั้นน่นะเขาไม่หวงกับเจ้าของเขาหวงเนี่ยนะก็แบ่งประเภทใช่ไหมหวงไม้ของเนี่ยไม่หวงใครจะเอาก็เอาไปเนี่ยนะเดี๋บางคนปลูกผลไม้ก็ไม่หวงอะไรใช่ไหมให้คนอื่นกินได้สบายหมดแหละบางคนก็หวงแหนมากมันหรือบางพวกก็ที่ยึดถือว่าของเราก็มีใช่ไหมที่ไม่ยึดก็มีอะ่ะ มันอยู่ในภายในแต่เราไม่ยึดว่าเป็นของเรานี่มีเยอะไหมอั น, น้นเช่นในในขอบเขตที่ดินของเรานะมีอะไรตั้งเยอะแยะอยู่ในนั้นใช่ไหมแต่เราก็ไม่สนใจว่าเป็นของเราแสดงว่าเราไม่ยึดทั้งหมดนะยึดเป็นบางอย่างเนี่ยนะหรือกามที่เป็นกามาวจรทั้งหมดเนี่ย น, นะตั้งแต่กามที่เป็นของนรกจนถึงปรินิมิตะ ว, ะวัสวัดีก็เรียกวัตถุ ก, กามที่เป็นกามาวจร การที่เป็นรูปราวจรเนี่ยนะคำว่ากามในที่นี้ต้องไม่ลืมว่าหมายถึงสิ่งที่น่าปรารถนาเนี่ยที่เป็นวัตถุกรรมนะเพราะฉะนั้นรูปประชานหรือรูปประพบเป็นต้นเนี่ยก็เป็นที่ตั้งแห่งความปรารถนาเพราะฉะนั้นรูปประชานรูปประพบจึงเรียกว่าเป็นวัตถุกรรมอรูปาวจรธรรมเนี่ยนะเช่นอรูปประชานอารูปประพบก็ถือว่าเป็นวัตถุกรรมหรือธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งตัณหา อารมณ์แห่งตัณหาเนี่ยชื่อว่ากามขอให้ตัณหามันชอบอะนะตัณหาชอบวัตถุใดวัตถุนั้นทั้งหมดเรียกว่าวัตถุกามเพราะอะไรเพราะอาจว่าอันบุคคลพึงใค ร, รหรือเพราะอาจว่าเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดหรือควรยินดีนะเป็นที่ตั้งแห่งความยินดีหรือเป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมาอย่างเงี้ยเาเรียกว่าวัตถุกามเป็นที่ตั้งแห่งความเมานะเช่นามมชาต ตระกูลโคตชาติชาติก็คือวันหนนะตระกูลก็คือตระกูลกษัตริย์เป็นต้นนะหรือตระกูลนามสกุลดีอ่ะนะก็เป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมาใช่ไหมความรู้วิทยาฐานะศิลปะโภคะผิวพรรณรูปร่างเสียงสวดทรงความเป็นหัวหน้าเจ้าหมูเจ้าคณะทั้งหลายเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็เป็นที่ตั้งแห่งตันหาทั้งหมดทั้งหมดเหล่านั้นเรียกว่าวัตถุกรรม พันธาใครปรารถนาสิ่งเหล่านี้แล้วสมหวังอ่ะนะปลื้มเลยใช่ไหมดีใจมากอ่ะนะหลายๆคนเนี่ยถ้าแต่คิดถึงอาหารก็ได้อาหารสมใจอยากก็ปลื้มคิดถึงอะไรที่ตัวเองต้องการเนี่ยนะถ้าได้เหมือนใจที่ใจต้องการหมดก็ยิ้มแป่ตรงกันข้าม่ะตรงกันข้ามถ้าไม่ได้ก็เศร้าซึมโศกเศร้าบ า, บางเจ้าก็บวยวายเนี่ยนะเรื่องมากเลยทั้งนั้นเลย ก็สิ่งเดียวกันเนี่ยถ้าได้ก็พอใจใช่ไหมถ้าไม่ได้ก็คับแค้นใจส่วนกิเลสกรรมเนี่ยนะกิเลสกามกิเลสกรรมก็คือความพอใจอันนี้เป็นชื่อของตัณหาอย่างอ่อนหรือความกำหนัดอันนี้ตัณหาเนี่ยแรงกว่าความพอใจด้วยอำนาจความกำหนัดทั้งพอใจด้วยทั้งกำหนัดด้วยติดข้องมา ก, ก น, นะความดํางฤก็คือการมวิตกะ น, นะความกำหนัดมากความดั่งฤและความกำหนัด ตรึกถึงครุ่นคิดจะเอาอะคิดถึงรูปคิดถึงเสียงคิดถึงกลิ่นคิดถึงด้วยอำนาจตัณหานี่ยนะความพอใจคือความใคร่ความกำหนัดคือความใคร่ยินดีเลยพอใจความเพลิดเพลินคือความใคร่ความกำหนัดคือความใคร่ในกามคุณทั้งหลายนะเน้นตัณหาที่มันกระซิบนึกถึงสีบ้างนึกถึงสีนึกถึงเสียงนึกถึงกลิ่นนึกถึงรสนึกถึงโภธาภาพนเนี่ยนะเพัน ความปรารถนาในกามความสเนาสเน e หาเสน h a ก็คือยางเหนียวในวัตถุนั้นอ่ะนะก็ดูวัตถุไหนมันเหนียวนะเราคิดคิดแล้วคิดอีกวัตถุเดียวกันเนี่ยนะคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกแสดงว่ายางตรงนั้นมันชุ่มมากหรือความเร่าร้อนในกามความหลงในกามเนี่ยหลงแบบเรียกว่าเมาเลยนะหมกมุ่นในสิ่งนั้นะ่ะเช่นถ้าดูคอมก็หมกมุ่นอยู่กับคอมเนี่ย ไม่ใช่กิจกรรมที่เป็นกุศล น, น, นะนะกิจกรรมที่เป็นอกุศลเนี่ยหมกมุ่นกับการเล่นเกมเป็นต้นนะนั่นเรียกว่าหลงหมกมุ่นนั่นเองหรือความติดใจในกามเรียกว่ากปีนกลืนกินเสร็จสับรวบเลยยึดมายึดเต็มที่หรือห่วงคือกามก็คือกามโอฆะนะคาว่ากามโอฆานี้แปลว่าท่วมทับหรือทําให้สั์เนี่ยจมลงในวัฏฏะชอบเมื่อไหร่ก็พาจมในวัฏฏะเท่านั้นแหละ หรือความประกอบไว้ในกามก็คือการ ม, มโยค่ะนะที่ประกอบสัตว์ไวในวัตตะหรือการ ม, มู้ป่าทานความยึดถือในกามหรือการ ม, มาฉันทานิวอน่นะตัวที่หุ้มห่อจิตให้จิตเป็นไปกับบาปอากุศลอย่างนี้ชื่อว่ากามอันนี้หมายถึงกิเลสกามถามว่ากิเลสกามนี้เกิดจากอะไรบองว่าดูก่อนกามเราเห็นรากฐานของท่านแล้วท่านย่อมเกิดเพราะความดำริแต่พูดถึงนักบวชนะสมมติถ้าเราอยู่ที่นี่กันนะน กามเนี่ยมันจะเป็นได้ยังไงก็เป็นจากความคิดอ่ะคิดขึ้นอ่ะถ้าไม่คิดอ่ะจะมีกาเป็นสิ่งนั้นจะสิ่งที่น่าชอบใจจะมีไหมถ้าเราไม่คิดถึงอ่ะก็ไม่มีเพราะฉะนั้นไอ้กามเนี่ยเกิดจากความดําริเกิดจากวิตกนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะไม่ดําริถึงท่านท่านจากไม่มีอย่างนี้ทั้งหมดที่กล่าวไปเรียกว่ากิเลสกรรม มันเมื่อสัตว์ปรารถนากรามอยู่ความว่าเมื่อใครอยากได้ยินดีปรารถนามุ่งหมายชอบใจกามฉะนั้นจึงชื่อว่าปรารถนากามต้องการเนื้อกเกินเนี่ยนะอยากได้ยินดีปรารถนาชอบใจติดใจเพลิดเพลินมุ่งหวังมุ่งหมายโอ้จะเอาอย่างเดียว่ะลักษณะนี้แหละเรียกว่ากิเลสกรรมเออกิเลสกรรมชอบที่ไหนก็ชอบวัต ถ, ถุกามเนี่ยชอบวัตถุกาม อันนี้ลักษณะประกาศอะไรสัจจะเน้นประกาศสมุทัยสัจจะเนี่ยนะตรงๆแล้ววัตถุกรรมเป็นทุกขสัต์สมทัยเป็นเออความปรารถนาในสิ่งเหล่านั้นเป็นสมุทยัยสัตว์ น, นแต่ว่าสมุทัยเกิดกับสมุทยัยเนี่ยต้องมีทุกขสัตว์เป็นอารมณ์โดยปกตินีสมุทยัยนี่มีทุกขสัตว์เป็นอารมณ์งนั้นขณะที่ตัณหาเกิดก็ชอบในอะไร ก็ชอบในทุกนั่นแหละมันไม่ไปชอบอย่างอื่นหรอกทีนี้ถ้าไอความปรารถนาเหล่านั้นเนี่ยสําเร็จดังใจหวังเนี่ยนะปรารถนาแล้วก็ได้สมใจปรารถนาเนี่ยนะคำว่าท่ากามนั้นย่อมสําเร็จแก่สัตว์นั้นความว่าสัตว์คำว่าสัตว์ในที่นี้ใครอ่ะสัตว์ผู้เป็นกษัตริย์พราหมณแพทย์สูตรอันนี้คือเรอาพูดตามวันนะอันนั้นไม่มีเหลือหรือแม้กระทั่งครือขันหรือบันประชิตอ่ะโดยเพศอ่ะนะบวชหรือไม่บวชกว็าตามเถอะ หรือเป็นเทวดาหรือเป็นมนุษย์เนี่ยนะเป็นโอปาติกะหรือเกิดยังไงก็ช่างเรียกว่าสัตว์เนี่ยนะกามนั้นอ่ะคือรูปเสียงกลิ่นรสโพธะที่ชอบใจเรียกว่าวัตถุกามทีนี้ถ้าตัณหาคือกิเลสกามเนี่ยปรารถนาวัตถุกามถ้ากามนั้นสำเร็จคือสมความปรารถนาสมความหวังเนี่ยนะถ้าสมความหวังสมความปรารถนาอย่างเงี้ยเป็นไงก็อิ่มใจแน่นอน อันคำว่าแน่นอนก็แปลว่าโดยส่วนเดียวว่างั้นหมายยิ้มแป่เลยนะก็คิดดูนะล่าถ้าเราเคยหยิบยื่นของที่เขาพอใจให้อะนะคนที่รับเขาเป็นยังไงที่เขาพอใจมากนะเขาก็ยิ้มเน ม, มีความสุขนะเพราะเขาเกียว่าพอใจมากส่วนคำว่าเ อ, อิบอิ่มก็คือปีติเนี่ยนะก็คืออิ่มปราโมดเบิกบานบันเทิงร่าเริงปลื้มใจยินดีชื่นใจชอบใจเต็มใจอ่ะ ที่ประกอบเฉพาะด้วยวัตถุกรรมเนี่ย น, นะพอใจกันเต็มที่อ่ะนะเกี่ยวกัถ้าสั่งอาหารและอาหารนั้นถูกใจนี่ก็แหมอร่อยมากอ่ะนะปลืม้มติดใจเพลิดเพลินคล่องอยู่นั่นนั่นแหละธรรมจัยเนี่ยนะก็คือจิตมณนะมณนะัฐหัตถะปันระมณนะมานาะยตนะมณนะีสีวิญญาณวิญ ญ, ญ, ญาณขันมโนวิญ ญ, ญาณธาตุที่เกิดแต่พัสสะเป็นต้นนี้เรียกว่าใจ น, น, นะก็จิตก็ต้องอาศัยเกิดขึ้นโดยวัตถุกับ อารมณ์ใช่ไหมถ้าชาวนะทางความคิดก็อาศัยมโนธรรมะก็เกิดมโนวิญญาณไอ้มโนวิญญาณอันเนี้ยสหรคตเกิดเกี่ยวข้องประกอบเกิดพร้อมดับพร้อมกันมีวัตถุอย่างเดียวกันมีอารมณ์วัตเดียวกันกับปีติเรียกว่าใจเ อ, อิบอิ่มเนี่ยนะก็แปลว่าเน้นไปชาวนะไหนโลภโสมนัสีดวงเนี่ยนะโลภโสมนัสสีดวง นะครเรียกว่าถ้าได้ปรารถนาต้องการสมหวังโลภะโสมนัสสี่ดวงก็เกิดขึ้นเนี่ยนะยิ้มแป้เพราะโสโลภะโสมนัสสี่ดวงนะนะั้น่ะมีปิติเกิดร่วมด้วยเนหะ็นก็เลยเป็นผู้มีใจยินดีมีใจร่าเริง ม, มีใจเบิกบานมีเรียกว่าดีใจมีใจสูงมีใจปราบปลืม้มเนี่ยเรียกว่าอิ่มใจแน่นอนนั่นนะถามว่าเห็นที่ไหนได้มากนะพวกกีฬาทั้งหลายแหลนะนะั่นนะชัดเลยนะ ถ้าฝ่ายเราชนะนี่ เ, เลยนะดีใจกันอะไรก็ได้ถ้าเป็นแข่ง น, นะถ้าสมความปรารถนาหน่อยชนะหนะ่อยแบบปลื้มเลยนะเพราะปรารถนาะใชยชนะใช่ไหมถ้าใช้ชนะกม็มีความสุขมากเพราะฉะนั้นสัตว์ที่ได้คือได้ประสบพบนะประสบอะไรประสบรูปเสียงกลิ่นรสโพธพภะตามความยินดีตามความปรารถนาะตามความมุ่งหมายตามความชอบใจเนี่ยก็สมนัตปราบปลิม่ม พันเมื่อสัตว์ปรารถนาการอยู่ถ้ากามนั้นย่อมสําเร็จแกส่สัตว์นั้นสัตว์นั้นได้กามตามปรารถนาย่อมเป็นผู้อิ่มใจแน่นอนนี่นะอิ่มใจมีความสุขสมหวังนะนะสมความต้องการใช่ไหมอยากได้นั่นนีน่นนนนก็เป็นวัตถุกามอ่ะออคือคื อ, คอนึกถึงไอ้ลูกฟุตบอลที่มันเข้าประตูฝ่ายโน้นได้ใช่ไหมนั่นแะ เป็นเนี่ยรูปารมนี่แหละมีรูปารมอ่ะนะคือถึงจะเป็นธรรมารมณ์อ่ะนะก็อาศัยวัตถุกรรมอ่ะเป็นเป็นธรรมารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุกรรมเนี่ยนะฉะนั้นถือเอาวัตถุกรรมเป็นหลักใช่ไหมเห็นไอ้ลูกกลมๆเนี่ยมันวิ่งเข้าประตูอีกฝ่ายโน้นอ่ะนะโอ้ดีใจมากเนี่ยนะฝ่ายแพ้ก็ไอ้ลูกกลมๆวิ่งเข้าที่เดียวกันนะั่นแหละสียใจยกใหญ่เลยนะไอ้ฝ่ายที่ทําให้เข้าได้ก็ดีใจยกใหญ่เนะียอัน พนี้เรียว่าถ้าสัตว์ปรารถนากามอยู่ถ้ากามนั้นสําเร็จแกสัตว์นั้นสัตว์นั้นได้กามสมความปรารถนาก็อิ่มใจเป็นแน่เห็นไหมก็หลายๆเรื่องนะจริงๆเราก็เห็นนะในชีวิตของเราเนี่ยใครปรารถนารถถ้าได้รถสมปรารถนาก็ยิ้มปรารถนาบ้านต้องการจะซื้อบ้านที่ตัวเองพอใจก็ยิ้มมาบ้านนะบางคนก็เลยไปกว่านนั้นปรารถนาคู่ครองถ้าได้สมหวังก็มีความสุขนะตอนแรกนะ ตอนหลังไม่แน่แล้วนะตอนหลังบอกโอ้ยไม่เอาแล้วแต่ายาได้ก็ยอมอย่างนะั้นตอนแรกไม่พิดอย่างนั้นเลยนะตอนแรกเนี่ยไปเดินไปคุยกับคนอื่นดูสิจะตายให้ได้เลย น, ะนั่นแหละแต่ถ้าได้สมความปรารถนาก็อิ่มนะหลังจากนั้นก็หิวอีกแล้วเพราะว่าถูกกรรมมีใครกินอิ่มหรอกอรเคยกินอะไรอิ่มจริงๆมิบ้างอา จ้วงคราวอ่ะนะอาหารเมื่อเช้าที่ถึงแต่อาหารอิ่มท้องจริงๆก็ตอนนี้มันก็ไม่ได้อิ่มเหลืออยู่แล้วเนี่ยนะเช้าอีกก็หิวอีกต้องเติมอีกค่อยๆหยอดไปเรื่อยอย่างนั้นนะนั้นวัตถุกรมทั้งหลายเนี่ยที่สัตว์ปรารถนาก็อิ่มใจพอใจแต่ว่าตัณหาเนี่ยมันมันเคลือนไปเรื่อยนะมันสมมติว่าสิ่งที่เราได้คือสิ่งที่เราปรารถนามาก่อนไงพระปรารถนาเพราะได้ตั้งความปรารถนาอย่างนี้ไปเรื่อยๆเรื่อๆเรืย ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ สํานวนว่าถ้าเป็นชาวนาก็เพาะพันธุ์ข้าวกล้าต่อกันไปเรื่อยๆมันเลยไม่สูญพันธุ์ตันหาก็เหมือนกันเพาตั้งความปรารถนาอันหนึ่งบางเจ้านี่ยังไม่ได้ทันปรารถนาเลยตั้งความปรารถนาอันใหม่เรียบร้อยแล้วเห็นตั้งความปรารถนาไปเรื่อยๆเื่อยๆร่อยๆรยๆพวกนี้ไม่มีตายเป็นรจริงๆมันตายอยู่หรอกแต่ว่าสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาต้องการเหมือนเขาจะไม่ตาย นะถ้าใครดูพรมนารถกัสปะชาดกนี้จะรู้บอกไหมข้าพเจ้าทำตัวเหมือนไม่ตายว่างั้นหนะมกมุ่นโอ้ยเพลิดเพลินชื่นชม